จเจริญพรท่านสาธุชนผู้จเจริญผู้มีจิตฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่สิบเกกุมภาพันธ์พุทธศักราชสอง7้าสเจตรงกับวันพระหัตตแรมส4สี่ค่ำเดือนสาเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนณะเป็นวันฟังธรรม ทุกๆวันพระสัายาญาิโยงก็จะมาที่วัดกันเพื่อมาชำระขัดเกลอกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อการกระทําจะได้เป็นการกระทำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นการกระทำที่ไม่เกิดโทษตามมาถ้ากายวาจาใจ ไม่ได้รับการชําระอยู่อย่างสม่ําเสมอการกระทําทางกายวาจาใจย่อมพาให้ไปสู่ปัญหาพาให้ไปสู่ความยุ่งยากวุ่นวายได้ดังนั้นการเข้าวัดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อเราจะได้มาชําระกายวาจาใจอย่างที่ท่านทั้งหลายได้กระทําไปเมื่อสักครูน่นี้ก็ได้สมาทาน ศีลหศีล8เป็นการชำระกายและชำระวาจาเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ชำระแล้วกายวาจาของเราจะไม่สะอาดเมื่อกายการะทาของเราทำไปด้วยไม่สะอาดก็จะมีปัญหามีโทษตามมาดังนั้นการที่เราจะมีความสุขได้ การกระทำของเราต้องเป็นการกระทำที่ไม่เกิดโทษเพราะการกระทำที่ไม่เกิดโทษนี้เป็นเหตุที่นำความสุขมาให้กับเราถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งอื่นมากมายเช่นเราอาจจะมีเงินทองมากมายมีตำแหน่งที่สูงมีบริษัทบริวารที่ขอยให้ความสรรเสริญเยือนยอเรามีความสุขที่ได้จากการ เจบสัมผัสรูปเสียงกลิน่นรสโผฏฐพะต่างๆแต่ถ้าเราไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับการกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจปล่อยให้การกระทาของเราไปในทางที่ผิดที่ไม่ควรผลที่จะตามมาก็คือปัญหาความวุ่นวายเดี๋ยวจะต้องขึ้นโรงศสารขึ้นโรงพักเข้าคุกเข้าตารางเพราะว่า การกระทาที่เป็นโทษนี้เองทั้งๆ ท, ที่เราอาจจะมีเงินทองมากมีอะไรมากมายแต่เงินทองเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถยับยั้งปัญหาที่เกิดจากการกระทาที่เป็นโทษได้ดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการปัญหาเรื่องวุ่นวายเรื่องความทุกข์ต่างๆที่จะตามมา จากการกระทำของเราเราก็ต้องระมัดระวังให้การกระทำของเรานั้นเป็นการกระทำที่ไม่เกิดโทษการที่จะกระทำอะไรทางกายวาจาใจไม่ให้เกิดโทษนั้นเราก็ต้องคอยชำระกายวาจาใจของเราอย่างสม่าเสมอเพราะว่าถ้าเราได้ละชาระกายวาจาใจแล้วการกระทำของกายวาจาใจ ก็จะเป็นการกระทํามที่ไม่เกิดโทษเป็นเหตุที่จะนํามาซึ่งความสุขและความเจริญต่อไปการกระทําที่เกิดโทษนั้นพระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้ว่ามีอยู่สิทธิประการด้วยกันเรียกว่าอากุศลกรรมสิทธหรืออกุศลสิทธิเป็นทางกายสาทางวาจาสี่และทางใจสารวมกันเป็นสิทธิ ทางกายการกระทำที่เกิดโทษนั้นมีอยู่สามคือหนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองการลักทรัพย์สการประพฤติผิดประเวณีนี่คือการกระทำทางกายที่เมื่อทำไปแล้วจะต้องมีโทษตามมาส่วนการกระทำทางวาจาที่ทำไปแล้ว จะให้เกิดโทษนั้นมีอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. พูดปดมดเท็ส 2. พูดเพ้อเจ้อสามพูดคำหยาบ 4. พูดส่อเสียดนี่คือการพูดที่จะทำให้เกิดโทษตามมาและการกระทําทางใจที่จะทําให้เกิดโทษตามมาก็มีอยู่3ด้วยกันคือ หนึ่งความโลภสองความโกรธสความหลงเหล่านี้คือการกระทาทางกายวาจาใจที่เรียกว่าอากุศลสิบถ้าได้ทาการกระทำเหล่านี้แล้วไม่ว่าจะทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดี ก็จะนำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจถ้าละเว้นจากการกระทำกุศลอกุศลทั้งสิบนี้ได้ก็จะไม่มีโทษไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายตามมาการกระทำทางกายทางวาจานั้นเป็นเพียงผลที่เกิดจากการกระทำทางใจ การกระทาทางใจนี้เป็นต้นเหตุที่พาให้ไปสู่การกระทาทางกายทางวาจาต่อไปดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องคอยดูแลคอยชําระอยู่สม่ำเสมอก็คือการกระทาทางใจได้แก่ความโลภความโกรธความหลงถ้าเราไม่คอยควบคุมดูแลความโลภความโกรธความหลง ให้ให้อยู่ในกรอบของความดีงามแล้วมันก็จะพาเราไปสู่ความหายนะความวิบัติต่อไปเราจึงต้องดูแลการกระทำทางใจของเราซึ่งทำอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาเราหลับไปเราจึงต้องมีสติคอยดูใจของเราอยู่เสมอ ดูว่าขณะนี้ใจกลังใจของเรากำลังโลภอยู่หรือเปล่ากำลังโกรธอยู่หรือเปล่ากำลังหลงอยู่หรือเปล่าเหตุที่ทําให้ใจเราโลภเราโกรธนั้นก็คือความหลงนั่นเองความหลงนี้ท่านเรียกว่าความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นกลับตาลปัดเห็นโกงจักเป็นดอกบัว<ม>เพราะความมืดบอด น, นั่นเอง เวลาที่เราอยู่ในห้องมืดๆเราจะเห็นสัตว์บางชนิดแต่เราจะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนเราเพียงแต่รู้ว่ามีสัตว์อยู่ในห้องนี้มีการเคลื่อนไหวไม่ทราบว่าเป็นหนูเป็นแมวหรือเป็นสุนัขเพราะความมืดปิดบังอยู่ไม่สามารถมองให้เห็นได้ความหลงก็เป็นในลักษณะนั้น ความหลงก็คือความมืดบอดของจิตใจถ้าเรามีความมืดบอดอยู่ในจิตใจแล้วก็จะถูกหลอกให้ไปโลภให้ไปโกรธแต่ถ้าเรามีแสงสว่างคือปัญญาหรือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะรู้ว่าอะไรคือสุขอะไรคือทุกข์ อะไรคือคุณอะไรคือโทษแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะไม่มีปัญญาเราจะไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็เราก็จะถูกความหลงนี้หลอกให้เราไปโลภหลอกให้เราไปโกรธเมื่อเรามีความโลภมีความโกรธกายกระทําทางกายทางวาจาก็จะออกไปในทางที่เสื่อมเสียต่อไปเมื่อทําไปแล้วก็จะเกิดโทษตามมา ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องทํากันก็คือให้แสงสว่างก่บจิตใจด้วยแสงสว่างแห่งธรรมคือการศึกษาธรรมะฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมสักครั้งหนึ่งเพราะเป็นเหมือนกับการจุดแสงสว่างให้ในห้องที่มีความมืด อ, อยู่ ถ้าเราจุดแสงสว่างหลายๆหลายๆดวงด้วยกันความมืดก็จะหายไปแต่ถ้าเราไม่คอยจุดแสงสว่างไว้อยู่เรื่อยๆเยช่นเราจุดเทียนไว้ดอกหนึ่งทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเทียนนั้นก็จะไหม้หมดไปถ้าเราไม่จุดเทียนเล่นใหม่ความมืดก็จ่ต้องกลับคืนเข้ามาเพราะแสงสว่างจากจากเทียนนั้น ถูกไม่หมดไปนั่นเองดังนั้นถ้าเราต้องการแสงสว่างของจิตใจเราก็ต้องหมันศึกษามันร่ำเรียนฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยเพราะถ้าเราฟังเทศเพียงครั้งเดียวแล้วก็ไม่ฟังอีกเป็นเวลาหลายเดือนแสงสว่างที่มีอยู่ในใจที่จะคอยเตือนคอยบอกเราว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรดีอะไรชั่วก็จะหายไปทำให้เราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างสม่ำเสมอเราก็จะมีแสงสว่างแห่งธรรมคอยนำพาชีวิตของเราให้ดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามคือการของการกระทำของเรา จะเป็นการกระทำที่ไม่เกิดโทษเมื่อไม่เกิดโทษก็จะมีแต่ความสุขดังนั้นเราจึงต้องหมั่นเข้าวัดถ้าเข้าวัดไม่ได้ก็ต้องมีธรรมะอยู่ที่บ้านที่เช่นมีหนังสือไว้อ่านมีเทพธรรมะไว้ฟังหรือมีการเทศนาว่าก่าวทางวิทยุก็ควรที่จะเปิดฟังบ้าง เพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์จะทําให้ชีวิตของเรานั้นไม่งม ง, งายไม่เห็นผิดเป็นชอบไม่กระทําในสิ่งที่ไม่ควรที่จะกระทําถ้าเราไม่กระทําในสิ่งที่ผิดแล้วรับรองได้ว่าความเดือดร้อนความวุ่นวายต่างๆจะไม่ตามมาอย่างแน่นอนเราจึงต้องรู้ว่าอะไร คือความสุขที่แท้จริงอะไรคือไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงแต่ในฐานะที่เราเป็นคนปุตชนธรรมดาซึ่งมีความมืดบอดมีความหลงครอบงามจิตใจเราจะไม่รู้จริงๆว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนเราจึงต้องอาศัยคนอย่างพระบรมศ า, าสดาคือพระพุทธเจ้าของเราผู้ที่ได้ทรง พิสูจน์กับความสุขชนิดต่างๆมาอย่างโชคโชนจนได้พบกับความสุขที่แท้จริงหลังจากที่ได้ทรงปฏิบัติศึกษาธรรมะอยู่ถึงหกปีด้วยกันในเบื้องต้นพระพุทธองค์ก็ทรงอยู่ร้อมห้อมล้อมด้วยความสุขทางโลกที่เรียกว่าการมาสุขในฐานะที่เป็นราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดิน ย่อมมีความสุขทางลาบยศเสริญกามสุขมีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต้องการจะดูรูปชนิดใดต้องการจะฟังเสียงชนิดใดก็สามารถหามาได้แต่หลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงสัมผัสกับความสุขเหล่านั้นแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะพระ อ, องค์มีปัญญา ทรงเห็นว่าในท่ามกลางของความสุขที่ได้มาจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดถ้พะทั้งหลายนั้นก็มีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ความทุกข์นี้คืออะไรความทุกข์นี้ก็เกิดจากความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของรูปเสียงกลิ่นรสผุดถ้พะทั้งหลายนั่นเองคือมีในวันนี้แต่ก็ไม่มีใครรับรองได้ว่าในวันพรุ่งนี้จะมีอีก มีในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะหมดไปได้เพราะนี่คือธรรมชาติของรูปเสียงกลียวลดผลทพะทั้งหลายถ้าผู้ใดหลงยึดติดอยู่กับความสุขที่ได้จากการเสพสัมผัสรูปเสียงกลีดลดผลธพะแล้วก็จะต้องเป็นคนที่มีความกังวลใจอยู่เสมอเพราะรู้ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งไม่ได้เสพสัมผัส กับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะที่ถูก อ, อกถูกใจก็จะต้องมีความทุกข์มีความหงุดหงิดใจมีความเศร้าซ้อยหงอยเหงาตามมาอย่างแน่นอนแต่แทนที่จะรับความจริงอันนี้เรากับพยายามที่จะวิ่งขวนขวายหารูปเสียงกลิ่นรสผดพะชนิดใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ เ, เช่นสมมุติว่า รูปเสียงกิลดผดพระที่เราเคยสัมผัสอยู่นั้นได้หมดสิ้นไปเราก็ไปหามาใหม่เราดูหนังเรื่องนี้บทไปแล้วเบื่อกับหนังเรื่องนี้เราก็ไปหาซื้อหนังเรื่องใหม่มาดูเราฟังเพลงแผ่นนี้ฟังไปแล้วจนเบื่อเราก็ไปหาเพลงแผ่นใหม่มาฟังนี่ก็เป็นลักษณะของความไม่เที่ยงแท้ของความสุขที่ได้จาก รูปเสียงกลิ่นรสผุดถะพะนั่นเองเวลาได้เสพสัมผัสใหม่ๆก็จะมีความสุขมีความชื่นชมชื่นชอบแต่หลังจากที่ได้เสพสัมผัสไปจนเกิดความจำเจขึ้นมาก็จะเกิดความเบื่อหน่ายทําให้ต้องหาแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผุดถะพะชนิดใหม่ๆมาเติมให้กับใจชีวิตของ เราก็เลยต้องยึดติดอยู่กับการเสพลูกเสียงกิน่นรสผลตภะและเมื่อเบื่อก็ต้องหาลูกเสียงกินรสผลตภะชนิดใหม่ๆมาเสบอีกการแสวงหาก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ง่ายเพราะจะต้องมีปัจจัยคือเงินทองถ้าเกิดขาดปัจจัยเงินทองขึ้นมาอยากจะหาอะไรใหม่ๆดูหาอะไรใหม่ๆฟัง ก็จะไม่สามารถจะทำได้ดังนั้นชีวิตของเราก็จะต้องถูกกดดันอยู่กับการทามาหากินหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอาเงินทองนี้มาซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะชนิดต่างๆมาบำบุงบเลอใจอยู่เรื่อยๆไปก็จะกลายเป็นวงจร อ, อุบาทที่จะทำให้เรานั้นไม่มีเวลาที่จะสงบนิ่งได้เลย จะต้องหาเงินหาทองมาเมื่อได้มาก็ใช้ใมันหมดไปเมื่อบดไปก็หามันมาใหม่ก็ใช้มันหมดไปเพื่อที่จะได้มีความสุขจากการเสพ <c oughs> พวกการมรดทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัมผัสและทรงรับรู้ว่าไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงจึงทำให้พระองค์ทรงสนพระทัยที่อยากจะหาความสุขที่แท้จริง หลังจากที่ได้เห็นส ม, มณนนักบวชจึงได้คำตอบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การหาความสงบของจิตใจเพราะถ้าจิตใจมีความสงบเมื่อไรจิตใจก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงเมื่อเป็นดังนั้นพระพุทธองค์จึงกล้าที่จะสละราชสมบัติ สละฐานะของราชกุมารและออกบวชเป็นนัก บ, บวชอยู่แบบขอทานเรื่องความสุขทางรูปเสียงกลภภิ่นรสโผฏฐัพพะยอมเสียสละยอมตัดทิ้งไปไม่แสวงหาจะต้องการอย่างเดียวก็คือความสงบสุขของจิตใจแต่ความสงบสุขของจิตใจนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ เราจะสามารถเนรมิตห ร, รือบังคับจิตให้สงบได้เพราะโดยธรรมชาติของจิตที่มีความหลงครอบงำอยู่ความหลงนี้จะผลิตความโลภความโกรธออกมาอยู่เรื่อยๆทําให้จิตนั้นไม่สามารถที่จะนิ่งสงบได้ต้องอาศัยแนวทางของการปฏิบัติที่เรียกว่าจิตตภาวนา คือจะต้องมีวิธีมีอุบายที่จะทำจิตนี้ที่หมุนเหมือนกับรถยนต์นอรถยนต์ต้องหาวิธีต้องมีอุบายที่จะทำให้จิตนี้หยุดหมุนถ้าจิตยังไม่หยุดหมุนจิตก็จะไม่สงบถ้าไม่สงบก็จะไม่ได้สัมผัสกับความสุขที่เป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่มีอยู่ในตัวของเราแล้ว เราจึงต้องอาศัยการบำเพ็ญจิตภาวนาคือการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาซึ่งเป็นอุบายวิธีที่จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ในเบื้องต้นพระองค์ทรงสอนให้ทำจิตให้สงบด้วยการกำหนดจิตให้รู้อยู่กับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งคือถ้าจิตอยู่กับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่ง แล้วไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะสงบนิ่งตัวลงแต่ถ้าจิตไม่มีอะไรเกาะปล่อยให้จิตคิดไปเรื่อยๆจิตก็จะไม่มีความสงบเหมือนกับพวกเราที่ไม่เคยฝึกขัดทำสมาธิเราจะไม่เคยรู้จักทำจิตให้หยุดนิ่งได้เพราะจิตของเราจะคิดเรื่องราวต่างๆไปเรื่อยๆวันๆหนึ่งมันจะไม่หยุดของมันเอง คิดเรื่องนี้แล้วก็จะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นแล้วก็จะไปคิดเรื่องโน้นคิดกลับไปกลับมาทั้งวันเมื่อคิดแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมามีอารมณ์ดีใจบ้างมีอารมณ์เสียใจบ้างมีความฟุ้งซ่านบ้างมีความวุ่นวายใจต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดจากความคิดของจิตทั้งสิน้นถ้าจิตเป็นอย่างนี้แล้วต่อให้เรามีสมบัติอะไรต่างๆภายนอกมากมายเพียงไร ก็จะไม่มีความสุขที่แท้จริงเราจรึงต้องหันมาทําจิตให้สงบให้ได้โดยอาศัยอุบายแห่งสมาธิคือพยายามควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเหมือนกับการผูกเรือไว้กับเสาถ้าเรือเราต้องการให้จอดนิ่งๆไม่ให้ไหลไปตามกระแสน้าเราต้องผูกเรือไว้กับเสาที่ท่าน้า ถ้ามีเสาผูกไว้กับเรือแล้วถึงแม้จะมีกระแสน้ำไหลมาอย่างไรเรือก็จะไม่ไหลไปกับกระแสน้ำในจิตของเราก็มีกระแสจิตที่คอยพัดให้จิตคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าเราต้องการให้จิตหยุดคิดต้องการให้จิตนิ่งลงเราก็ต้องมีเสาที่ไว้ผูกจิตนั่นเอง เสาที่ที่ไห้ผูกจิตนี้เราเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานหรืออารมณ์แห่งองค์ภาวนาเราต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งไหวผูกจิตพระพุทธองค์ทรงสอนให้ใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เช่นให้กําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้ดูด้วยจิตว่าลมกําลังหายใจเข้าหรือหายใจออกให้รู้อยู่แค่นี้ หายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกทีนี้จะไปกำหนดดูอยู่ตรงไหนท่านก็ให้บอกท่านก็สอนให้ดูที่จุดลมมันสัมผัสมันลมที่มันเข้าออกมันสัมผัสเด่นชัดที่สุดซึ่งก็จะอยู่แถวปลายจมูกบริเวณเหนือลิมฝีปากขึ้นมาถ้าเรากาหนดดูตรงจุดนั้นก็ได้ คือให้รู้อยู่ตรงจุดนั้นเวลาลมพัดออกมาก็จะสัมผัสกับจุดนั้นเวลาลมเข้าไปก็จะจับสัมผัสอยู่กับจุดนั้นก็ให้อยู่กับจุดนั้นจุดเดียวอย่าตามลมเข้าไปข้างในอย่าตามลมออกมาข้างนอกเพราะถ้ามีการตามเข้าตามออกแล้วจิตจะไม่นิ่งเพราะจิตจะมีการเคลื่อนไหวมีการทํางานแต่ถ้าเราจ้องอยู่ที่จุดเดียว อยู่จุดที่แถวปลายจมูกบริเวณเหนือลินฝีปากขึ้นมาที่ลมสัมผัสเข้าออกก็ให้รู้อยู่ตรงนั้นเฝ้าดูอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเราสามารถควบคุมให้จิตอยู่กับการดูลมอย่างเดียวโดยไม่ทะเลทลายแวบออกไปคิดเรื่องราวต่างๆไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะสงบตัวลม แต่ถ้าเราทำไปแล้วเราดูลมแล้วยังอดคิดไม่ได้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ท่านก็สอนให้เราลองใช้วิธีหนึ่งก็ได้เช่นถ้าจิตชอบคิดก็ให้ฝาความคิดด้วยการบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราพุทโธอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องอื่นได้ การบริกรรมนี้ก็ไม่ต้องออกเสียงบริกรรมไปภายในใจเหมือนกับความคิดความคิดว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าคิดอยู่แต่พุทโธพุทโธพุทโธความคิดอย่างอื่นก็จะไม่สามารถแทรกเข้ามาหรือดึงจิตให้ไปคิดได้นะดังนั้นเวลาเราทำเราอาจจะต้องทดลองดูว่าวิธีไหนเหมาะกับเราวิธีไหนถูกกับจริตของเรา แล้วเราก็ใช้วิธีนั้นถ้าเราฝึกทำไปเรื่อยๆต่อไปเราจะจะสามารถทำให้จิตสงบตามความต้องการได้ในเบื้องต้นอาจจะรู้สึกยากหน่อยเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเราไม่ถนัดเหมือนกับการใช้มือที่เราไม่ถนัดถ้าเราเคยถนัดมือขวาแล้วเราต้องมาหัดใช้มือซ้ายในเบื้องต้นก็จะรู้สึ ก, สกว่าลาบาก ไม่ค่อยสะดวกทําผิดผิดถูกถูกแต่ถ้าเราพยายามฝึกทําไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเกิดความชํานิชนานาญขึ้นมาต่อไปก็จะสามารถใช้มือซ้ายได้เหมือนกับมือขวาการฝึกทําจิตให้สงบก็เป็นเช่นนั้นโดยปกติเราจะถนัดอยู่กับความคิดเรื่องราวต่างๆคิดไปเรื่อยๆวันๆอย่างนี้คิดได้นั่งอยู่คนเดียวก็คิดไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจักสิน้น นี่มันเป็นนิสัยของจิตของพวกเราทีนี้เราจะมาลองฝึกจิตให้หยุดคิดนี้ในเบื้องต้นก็จะรู้สึกว่ายากเพราะมันจะไม่ยอมหยุดตามที่เราจะสั่งให้หยุดเราจะให้อยู่กับลมหายใจก็อาจจะอยู่ได้เพียงสองสามวินาทีแล้วเดี๋ยวก็จะแวบออกไปคิดอีกแล้วนีไม่ดีเผ้อๆอาจจะลืมไม่รู้สึกตัวไปเป็นเป็นสิบกว่านาทีก็ได้ กวจะมารู้สึกตัวจีก็บอกอา้าวเราไม่ได้อยู่กับลมหายใจเลยเราอยู่กับเรื่องนั้นอยู่กับเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเราได้สติรู้ว่าเราไม่ได้อยู่กับลมเราก็หันกลับมาทํากําหนดจิตให้อยู่กับลมใหม่ก็ทําไปอย่างนี้เรื่อ ย, เ, อยเวลาเผลอไปก็ดึงกลับมาเผลอไปก็ดึงกลับมาทําไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเกิดความชํชนานิชํานาญขึ้นเองต่อไป ก็จะอยู่กับลมไปตามความที่เราต้องการเมื่อจิตอยู่กับลมต่อไปอย่างตามอยู่ไปอย่างต่อเ น, นื่องแล้วไม่ช้าก็เล็วจิตก็จะรวมลงเข้าสู่สมาธิรวมตัวลงเรียกว่าเป็นเอกตารลมรวมเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งในขณะนั้นการบริกรรมคาว่าพุโทโธพุธโทโธก็ดีหรือการกำหนดดูลมหายใจก็ดี ก็ไม่ต้องทําอีกต่อไปเพราะในขณะนั้นจิตสงบนิ่งไม่ต้องไม่ต้องไปควบคุมบังคับอีกต่อไปในขณะนั้นถ้าใครเข้าถึงจุดนั้นได้จะสัมผัสกับความสุขที่มหัศจรรย์เป็นความสุขที่ละเอียดเป็นความสุขที่เต็มไปด้วยความปิติความอิ่มความพอและจะอุทานออกมาตามที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าไม่มีสุขอันใดในโลกนี้ จะสุขเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตนี่คือความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์ได้สัมผัสมาแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนให้กับพวกเราให้พวกเราพยายามเข้าหาความสุขแบบนี้ดีกว่ากับความสุขที่อยู่ภายนอกเพราะความสุขภายนอกนั้นเป็นความสุขที่ไม่ทิ้งแท้แน่นอน แต่ความสุขที่มีอยู่ภายในนี้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีใครจะมาแย่งชิงจากเราไปได้เป็นความสุขที่เราสร้างขึ้นให้กับตัวเราเองได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจึงควรให้กับความสนใจกับการสร้างความสุขแบบนี้ในชีวิตของเราตลอดทั้งอาทิตย์นี้เราน่าจะมีสักวันหนึ่งที่เราควรที่จะ แยกออกมาให้เป็นเวลามาสร้างความสุขแบบนี้กันหรือไม่เช่นนั้นทุกๆวันก็ควรจะมีเวลาวันลาครั้งสองครั้งในตอนเช้าสักครั้งหนึ่งในตอนเย็นสักครั้งหนึ่งที่เราจะใช้เวลามาทำจิตใจให้สงบทำจิตให้มีความสุขทางด้านจิตใจเพราะถ้าเรามีความสุขแบบนี้แล้ว ความโลภต่างๆมันจะเบาบางลงเมื่อความโลภเบาบางลงความโกรธมันก็จะเบาบางลงตามไปด้วยเพราะความโกรธนี้เป็นผลที่เกิดจากความโลภเวลาเราต้องการอะไรแล้วไม่ได้ดังใจก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาถ้าเราต้องการมากแล้วไม่ไม่ได้ดังใจมากความโกรธก็จะมีมากถ้าเราไม่โลภมาก เราก็จะไม่ผิดหวังมากเราจะไม่ก็เราก็จะไม่โกรธมากถ้าเราไม่โลคเลยเราก็จะไม่โกรธเลยเพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากใครทั้งสิ้นเราทำอะไรเราก็ทำไปตามหน้าที่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็แก้ไขกันไปตามเหตุตามผลแต่ไม่มีความรู้สึกโกรธใครขึ้นมาเพราะในใจเราไม่ได้ทําด้วยความอยาก ทำด้วยความโลภเราทำไปตามหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่จะต้องใช้ใครให้เขาทำอะไรเราก็ใช้เขาไปให้เขาทำเขาจะทำตามเราได้มากน้อยเพียงไรเราก็รับรู้ตามความเป็นจริงของเขาว่าเขามีความสามารถเพียงเท่านั้นแต่เราจะไม่ไปโกรธอะไรกับเขาเพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากเขานั่นเองเราดูว่าเขาทำได้มากน้อยเพียงไรก็เอาเท่านั้น นี่จะทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปได้ด้วยความเป็นสุขครุวา น, นี้ที่เรามีความทุกข์กันก็เพราะความโลภความอยากนั่นเองเวลาเราโลภเราอยากแล้วไม่ได้ดางอยากเราก็จะเกิดความหมุนหงิดใจเกิดความเสียใจเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วถ้าเราได้ตามที่เราต้องการมันก็จะเกิดความอยากความโลภขึ้นมาใหม่แล้วเคยโลภเคยอยากอะไรมามากน้อยเพียงไรแล้ว เราเคยได้มามากน้อยเพียงไรแล้วแต่ความโลภความอยากของเรามันหมดไปไหม